วันนี้เป็นเช้าวันแรกของพวกเรานะเป็นชาวันแรกในชีวิตใหม่นะเพศใหม่คือเพศบรรณชิตนะไม่ว่าจะนุ่งเหลืองหรือห่มขาวนี่ก็ถือว่าเป็นนักบวชนะบรณชิตแปลว่านักบวชนะเราก็จะต้องสงบสํารวมนะแล้วก็ต้องรู้จักใครครวนด้วยนะ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 นะก็เกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาอยากจะฝึกฝนจิตใจอันนี้เรียกว่าเกิดความตั้งใจอย่างแรงกล้าก็เลยขอพระสัทวบุตรว่าขอไม่ไปบินบานนะขอกลับไปที่วัดกลับไปที่เชตวันนะเจตวันนี่ก็เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งนะในพุทธศาสนาพระ เ, เจ้าก็ประทับจำพรรษาที่วัดเชตวันนี่ก็นานถึงยีง 20, ่พรรษา สามเณรสุก็กลับเข้าไปพอถึงวัดก็ตรงไปที่วิหารแล้วก็นั่งสมาธินะีนั่งสมาธิบอกว่าความตั้งใจของสามเณรสุกเนี่ยแรงกล้ามากก็ทําให้จิตสงบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยปัญญาใกล้จะเกิดแล้วเพราะว่าสมาธิกับปัญญามันใกล้กันมากนะมีสมาธิ ม, มากๆปัญญาก็จะเกิดได้ ก็รู้ลธรรมเป็นลำดับไปจนเกือบจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะคือบรรลุธรรมก็บังเอิญพระสศรยบุตรกลับจากบินธำบาตพอดีกําลังจะเข้ามาวิหารข้าวที่กําลังจะสุกเนี่ยถ้าเกิดว่าดับไฟทันทีเนี่ยข้าวมก็ไม่สุกนะสามเณรสุกก็เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยใกล้จะบรรลุธรรมแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระไรบุตรนี่มา เข้ามาขวางเนี่ยก็จะไม่บรรลุธรรมพระเจ้าก็รู้เหตุการณ์นี้ก็เลยเดินไปขวางก็คือไปทาทีพูดคุยกับไซเลยบุตรเพื่อเป็นการทวงเวลานะราก็ว่าในที่สุดนามสามเนสุก็บรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์เลยสามเนนะอายุเจ็ขวบนะแต่ว่าบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์เพียงเพราะว่านะ ท่านได้คิดนะจากการที่เดินบินทบาตแล้วก็เห็นภาพนะชาวนาทดน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกสอนแล้วก็ช่างไม้ถากไม้ภาพเหล่านี้เนี่ยสามเณรสุขไม่ได้มองเปล่าๆนะแต่มองก็้วก็โยงมาถึงตัวเองนะถ้ามองแล้วไม่โยงมาถึงตัวเองนี่ก็ไม่เกิดธรรมะนะสามเณรสุขก็มองย่อมาตัวเองว่าเออเราเป็นคนมีจิตใจ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 สามในศูนนี่ก็เป็นตัวอย่างนะี่ที่ทำให้พระเจ้าเนี่ยตอนหลังก็ตรัดเป็นคาถานะที่ทุกวันนี้คนก็ยังท่องจำกันไม่ลืมนะคาถานี้ก็ถา ง, ง่ายๆชาวนาทดน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกธนูช่างไม้ถากไม้ส่วนบัณฑิตนั้นฝึกตนนะพวกเราตอนนี้นี่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 อย่างขนาดนี้เนี่ยเนนะหลายท่านก็ตักอาหารมาแล้วนะบางทีใจมันก็ไปจดจ่ออยู่ที่อาหารอยู่ที่ขนมที่ตับนะแล้วก็เฝ้ารอหรือว่าเร่งเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้ฉันได้ได้กินสักทีเห็นขนมนี่อร่อยนะบางทีน้ำลายไหลแล้วก็มมีสตินะดูนะว่าตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้น ตอนนี้มันมีความอยากเกิดขึ้นที่ใจมันอยากกินนะแล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นมาว่ามเมื่อไหร่จะได้กินสักทีนะไม่อยากรอนานแล้วนะเมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไหร่จะได้กินน ะ, ะก็ให้รู้ทันนะอันนี้เรามีมีความคิดเกิดขึ้นในใจแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกตนแล้วนะ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 ยังไม่ได้กินของที่ชอบของที่อยากนะอันนั้นแหละนะเรียกว่าเป็นการมองตนนะเราไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเรามีอากัปกิริยาเป็นอย่างไรเรามีอากัปกิริยาเรียบร้อยไหมอันนั้นเป็นการมองภายนอกนะหมายถึงมองที่กายเราต้องมองลึกไปถึงใจด้วยว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างไร <but> เวลาเพื่อนแซงคิวนะ<ส antic>เราก็ไม่พอใจนะ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 มนุษย์ได้อย่างไรก็เลยมีการปรึกษานะเรียกบรรดาสัพพสัต ท, ทั้งหลายมาปรึกษาว่าจะเอาความรู้นี้ไปซ่อนให้ไกลจากมนุษย์ได้อย่างไรนะก็มีสิงสารสัตว น, นาชนิดนะมามีพญาช้างนะมีเสือมีสิงถามปัญหานี้แหละว่าจะเอาความรู้นี้ไปซ่อน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 จนพบได้เพราะชนะวิธีนี้ไม่ได้ผลเราจะไปซ่อนที่ไหนดีนะก็มีสิงโตไม่ใช่ก็มีหมีนะบอกว่าเอาไปซ่อนไว้ในใต้มหาสมุทรเสรียมหาสมุทรที่ลึกที่สุดนะนะมันลึกหลาย10กิโลเมตรเลยสัตว์ทั้งหลายก็เห็นดีด้วยแต่ก็มีสัตว์ตัวนึงบอกว่าไม่ได้หรอก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 บอกว่าขอแสดงความเห็นขอเสนอครับนะตอนที่หนูเสนอตัวเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็หัวเราะเยาะไม่ว่าจะเป็นช้างจะเนเสือจะเป็นแรดเป็นสิงเพราะว่าขนาดนะพญาเสือพญาสิงพญาโคจารนี่มีความฉลาดมากก็ยังไม่รู้ว่าจะไปซ่อนที่ไหนดีเสนอยังไงก็ถูกตีตกหมดแต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าเอางั้นฟังหน่อยนะ